กล้างก็ไม่สำคัญมีค่าที่เราเดินหน้าไป พ, พร้อมกันลงเอยจะร้างลายอบลงจะเสียใจสุดทางเป็นเช่นไ ร, นน ไ, รไม่อยากรู้ ฉัน t o bed. จะทอดยาวไม่มีสักดวงดาวปลายทางจะโหด